ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อวกกลับมาอีกนิดหนึงเนาะเพื่อทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าธรรมชาติเนี้ยนะที่เรียกว่าธรรมชาติมันมี2ประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่งคือเป็นธรรมชาติที่เกิดนะธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดอันเนี้ยเป็นสัจจะความจริงมีจริงๆนะมีายเกิดกับไฟไม่เกิดเพราะฉะนั้นไฟเกิดเนี่ยเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับไปจะต้องหมดไป แต่ไฟไม่เกิดเนี่ยเป็นความไม่ไม่มีการหมดไปไม่มีการดับเพราะไม่เกิดมาตั้งแต่แรกเนาะจึงเป็นอ ม, มะตะธาตุเป็นอ ม, มะตะธรรมเป็นนิรันดร์การเป็นเช่นนั้นตลอดไปนะส่วนเกิดดับแน่นอนสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทีนี้กลับมามองที่ตัวเองเนาะร่างกายร่างร่างกายเนี่ยสังขารเนี่ยกายยะสังขารหรือว่าร่างกายก็ได้แต่เดิมมันยังไม่เกิดมันไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยที่สุดก็คือแก่เจ็บตายไปคือหมดไป ไม่มีใครโตแย้งได้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะเช่นตอนนี้ยังไม่โกรธตอนเนี้ยังไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีอะไรแต่อนาคตถ้ามีเหตุปัจจัยให้มีมันก็ต้องมีแต่เมื่อมึีแล้วมันก็ต้องหมดไปร้อเซไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่หมดนะเพราะว่าเราก็สังเกตได้เนี่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยรักเคยโกรธเคยโลภเคยหลงมาทุกอย่าง แต่สุดท้ายมันก็หมดไปนะเพราะฉะนั้นเกิดมาเท่าไหร่มันหมดไปเท่านั้นทีนี้ถ้าเรารู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็คอยสังเกตว่าอะไรมันมีการเกิดขึ้นเช่นการเคลื่อนไหวสมมุติว่าเราจะพิจารุดูกายเนาะเราก็นั่งนิ่งๆเนี่ยแหละนั่งรู้อยู่ว่าอสิ่งนี้มีอยู่แต่มันนิ่งอยู่แล้วก็นั่งแบบไม่ขาดสติเนาะนั่งแบบสบายเอาเดี๋ยวก็ร่างกายก็จะขยับเห็นไหมมีการเคลื่อนแล้วก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อน เมื่อมีการเคลื่อนแล้วมันก็ต้องหยุดใช่ไหมเออเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดก็สังเกตเลยว่าโอไอ้การเคลื่อนนี่เนาะมันก็คู่กับการหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดสังเกตไปเล่นๆอย่างเงี้ยเพื่อกําลังพิสูจน์ความจริงว่าอ๋อความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอ๋อเมื่อเคลื่อนเกิดแล้วก็เคลื่อนหยุดเขาเรียกว่าเคลื่อนดับเนาะเหมือนลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนเข้าอ่าแล้วก็ต่อมามันเคลื่อนออกเนี่ยก็จะเห็นสัจจคความจริงของลมว่าอ๋อมันมีการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด แล้วก็อ่าจะพิจารณาความทางจิตใจก็ได้เช่นเวลาคุยกันเนี่ยสมมติเข้ามาในห้องนี้เนาะมีความรู้สึกมันไม่พอใจเลยอะสมมุตินะเราสองสังเกตดีก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีอาการนี้เนาะแล้วก็พอมีความไม่พอใจปุ๊บแล้วก็สังเกตมันก็เห็นแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นว่าความไม่พอใจก็จางคลายหายไปก็จะรู้เลยว่าอ๋อความไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่เกิดเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับไปเป็นธรรมดา ก็เรียนรู้แบบนี้แล้วต่อไปก็จะเห็นแจ้งในความเกิดดับเกิดดับเห็นแจ้งหมดเลยว่าอ๋อทุกอย่างสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่แต่อาจจะยังมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะอะไรกําลังเห็นสิ่งที่เกิดดับอยู่แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนจะเห็นได้อย่างไงอะว่ามันไม่เกิดไม่ดับอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ฟังตอนหลังเนาะตอนนี้กําลังพิจารณาสิ่งที่เกิดดับก่อน อ่าววินาเมื่อกี้เห็นความไม่ชอบเนาะความไม่ชอบเกิดแล้วดับไปหรือเอาต่อให้มีความชอบใจนะรู้สึกชอบใจมากเลยได้ยินได้ฟังแบบเนี้ยแล้วก็เราจะเทียบกันว่าอ๋อก่อนเนี้ยไอความชอบใจไม่เห็นมันมีเนาะตอนเนี้ยอ๋อความเอ่อความชอบใจเกิดแล้วแล้วก็แน่นอนความชอบใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับก็เลยเห็นว่าอ๋อความชอบใจก็เป็นสิ่งเกิดดับอ่าแล้วก็ก็ คอยสังเกตอย่างเนี้ยนะสังเกตรู้ตัวเองอยู่นี่แหละมันก็จะมีอาการเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นเดี๋ยวใจก็จะยอมรับได้เองว่าโอ้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนาะไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะไปยึดสิ่งเกิดสิ่งดับมาเป็นตัวเป็น ต, เ น, ตนเป็นเรานะแต่เมื่อได้ยินเป็นแผนที่ไว้ก่อนแล้วท่านบอกว่ามันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นไม่มีตัวตนไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับ มันก็เป็นแค่สภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วหมดไปเมื่อเราศึกษามากๆ ก, ก็จะเห็นการเกิดการดับมากๆขึ้นเนาะมันก็จะถอดถอนความเห็นผิดความเข้าใจผิดจากที่เคยหลงผิดว่ามันเป็นเราบัดนี้เริ่มเห็นความจริงว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับเห็นไหไอาการเข้าใจว่าเป็นแค่เห็นสิ่งเกิดดับอย่างเงี้ยมันจะพ้นทุกไปหลายแล้วล่ะเพราะว่ามันเข้าใจถูก เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าใจอย่างเนี้ยก็เลยยึดเป็นเราเราโกรธเราพอใจเราไม่พอใจใช่ไหมเราเคลื่อนไหวเรากระดุกกระดิกแต่พอเข้าใจถูกมันจะรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นผู้กระดุกกระดิกไม่ใช่เราเคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นเองอ่าเห็นไหมเข้าใจถูกแล้วพอเข้าใจถูกมันก็ก็โอเคแหละมันก็ไม่ยึดถือเนาะไม่ยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนก็เลยได้แต่รู้แต่เห็นแต่ทีนี้ถัดมาอีก พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนาะอาการเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่มันยังยึดเรามันยึดผู้รู้เป็นเราอยู่นี่ว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเรารู้แล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วเขสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเรารู้แล้วเรารู้แล้วดีไอ้ตรงเรารู้แล้วตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่รู้สึกตัวนะถ้าไม่มีคนมาบอก มันก็จะเป็นเราคำฟ้าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นผู้ไม่เกิดไม่ดับเรารู้แล้วว่าไอ้ น, นั้นเกิดดับแต่ยังไม่รู้เรานะยังไม่รู้เราว่าเราเป็นผู้รู้เพราะนั้นเนี่ยต้องรงนี้ต้องอาศัยกรารญานมิทอย่างเดียวเพื่อให้รู้เราว่าไอเราผู้รู้เนี่ยไอนี้ก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดดับเหมือนกันนะพอรู้ว่าเรา เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันเนะี <Jasmine> ่ยพอรู้ว่าเราเนี่ยนะเราที่เป็นผู้รู้เกิดดับเหมือนกันปับ๊บความเป็นเราก็จะหายวาับไปเลยเพราะมันเป็นสังขาร น, นี่ใช่ไหมมันเป็นสังขารเกิดดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นตัวเราก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันมีอยู่แค่เพียงเป็นสังขารที่เกิดดับเพราะนั้นถ้ารู้เราเมื่อไหร่ตรงนี้แหละมันจะพ้นทุกเพราะไอ้ตัวที่มันมีทุกมากที่สุดคือไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้นี่แหละ แล้วมันไม่ยอมใครช่วยมันไม่ยอมมาเพราะว่ามันเป็นอัตตาเต็มที่แล้วว่าเราเป็นผู้รู้เรารู้แจ้งในธรรมะแต่หารู้ไม่ว่าไอเราผู้รู้ตรงเนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกเป็นเพียงแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นการไปยึดถือความรู้จริงๆการรู้เนี่ยการเห็นเนี่ยมันเป็นการรู้แจ้งรู้รู้จริงมันไม่ได้เป็นเราแต่ด้วยความรู้ไม่เท่าทันด้วยความหลงหรือว่าเรียกเอาวิชานี่ย มันไปยึดถือความรู้อันนั้นมาเป็นเราเห็นไหมไปยึดถือพอยึดถือปับ๊บยึดถือความรู้อ น, นะจริงๆความรู้มันไม่เป็นเราหรอกแต่พอด้วยความหลงอวิชชาเนี่ยก็ไปยึดมาเป็นเราพอเป็นเราเสร็จแล้วก็เราก็แหมถ้ามองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นว่ายังยึดอยู่มันก็ยึดอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้ามีมีผู้รู้เข้ามาบอกว่าเออยยังยึดอยู่นะยังยึดรู้เป็นเราอยู่นะจริงๆเราไม่มีนะมีแต่รู้นะ โอ้พอเข้าใจถูกปั๊บแค่เนี้ยมันจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่มีคนมาบอกมันรู้เองไม่ได้ไงแต่ตอนเนี้อรู้แล้วว่าเออรู้เนี้ยไม่ใช่เราแต่ความรู้แจ้งแค่เนี้ยก็หลุดพ้นจากหลุดพ้นจากอะไรล่ะหลุดพ้นจากเมื่อกี้มันมันมันไม่หลุดเพราะว่ามันมันหลงยึดเนาะแต่พอรู้อย่างเนี้ยมันมันมันมันหลุดคือมันไม่ยึด พอมันไม่ยึดพ่อที่ยึดก็คือมันเป็นตัวเป็นตนพอไม่ยึดความเป็นตัวตนก็หายไปอ่าพอหายไปเสร็จแล้วก็กลายเป็นไม่มีเราอีกแล้วพอไม่มีเราตรงนี้ไงมันก็ก็คือจบกันอ่ะเออผู้รู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่มีมีแต่ความรู้ตรงั้นตรงนี้พอไม่มีเราเสร็จแล้วความเป็นอัตตาก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่ตรงนี้มันอธิบายยากนะเดี๋ยว เออลองลองเทียบอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เคยพูดถึงถามโยมโยมเจี๊ยบเนาะโยมเจี๊ยบเป็นเรื่องของเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันอะไรโยมเจี๊ยบบอกว่าวันศุกร์โยมเจี๊ยบบอกวันศุกร์เนาะเราบอกว่าเอาใครรู้ล่ะว่าวันนี้วันศุกร์ตอนแรกก็เริ่มหาก่อนเนาะเอ้ยใครว่ารู้ว่าวันนี้วันศุกร์หาก็หามาเดแต่หลวงพ่อจำไม่ได้เลยนะแต่สุดท้ายก็โยมเจี๊ยบเข้าใจว่าก็ก็หนูไงเป็นคนรู้ ออหลวงพ่อบอกให้รู้ใช่นะให้รู้ตัวเองนั่นแหละว่าไอ้ที่ว่าหนูรู้เนี่ยจริงๆอ่ะไอ้หนูตัวนี้ก็เป็นสังขารนะแต่ถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันก็เข้าไปเป็นเป็นตัวเราว่าเรารู้ถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะมันก็ละวางตัวเราไม่ได้แต่ถ้ารู้เราว่าเราเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่สังขารเกิดดับความเป็นเราก็จะหายไปในขณะที่เข้าใจในบัดนั้น เพราะฉะนั้นการรู้เรานี่แหละคือความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่รู้เรามันก็ยังเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่หลวงพ่อจึงเน้นมากเลยเรื่องให้รู้เรารู้เราแต่ก็โยมกค่อยเข้าใจบางคนเข้าใจแล้วบางคนยังไม่เข้าใจนะมันเรื่องยากอยู่ที่รู้เรามันพ้นทุกข์ได้ยังไงก็เพราะว่าไ อ, ไอเราเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะ แต่ที่ถ้ามัไม่รู้เรามันก็ น, นึกว่ามันเข้าใจผิดไงว่าเรามีอยู่จริงแต่ถ้ารู้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอเราเนี่ยจริงๆนะมันเป็นแค่สังขารมันเกิดดบับพอรู้ว่าเป็นสังขารเกิดดบับปั๊บความเป็นเราก็หมดไปนะอย่างเมื่อกี้ของของโยมเอ็ก็เหมือนกันถ้าจะโยวมวังเข้าใจเห็นไมตอนที่ไม่รู้อ่ะตอนไม่รู้ตัวเองปับ๊บมันก็เป็นเราแหละแต่พอรู้ตัวเองปับ๊บอ้าว ตัวเรามันก็เป็นสังขารนี่เราไม่มีอยู่จริงแค่นี้มันก็ละลายสลายความเป็นตัวตนนะมันก็เป็นความว่างคือว่างจากตัวตนเนี่ยการที่จะพ้นทุกข์ได้นะมันต้องข้ามผู้รู้ตรงนี้แหละถ้าข้ามตรงนี้ไม่ได้นะยังไงก็ไม่พ้นทุกข์แล้วก็ยิ่งเรียนธรรมะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเราเป็นเรารู้ใช่ไหมละ่ะเรารู้เรารู้แต่หารู้ไม่ว่าไอเรารู้เนี่ยก็ตายเข้าโลเหมือนกันหละเออแต่ถ้ารู้เราว่า ไอท้ที่แต่ถ้ารู้เราว่ารู้ว่าอ๋อไอ้นี้ก็คือสังขารเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทําให้พ้นจากทุก์ไปเลยคือข้ามพ้นผู้รู้ไปตรงนี้มันอธิบายยากเนาะแต่ว่าค่อยๆฟังหลายๆรอบก็แล้วกันอนรมาสการนะคะหลวงพ่อพอดีว่าก็เ อ, อพิ่งเข้าสู่วงการใหม่ๆนะคะวง ก, การธรรมะก็เลยบอกว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนําเหมือนกับว่า เอหลักทำอะไรที่บอกว่าควรที่มือใหม่ที่จะไปศึกษาก็พูดกับการนั่งกรรมฐานนะคะหลวงพ่อมือใหม่ต้องใช้คำว่าฝึกรู้ตัวเนาะรู้สึกตัวหลวงพ่อจะอธิบายย่อๆนะรู้สึกตัวคืออย่างนี้คือเราเนี่ยนะมันมีตัวเนาะทุกคนเนี่ยมีตัวเขาเรียกว่ามีกายมีใจนะเนี่ยอย่างตอนเนี้ย มีตัวของโยมก็คือตัวคนที่มาคุยกับหลวงพ่อเนาะในนี้เขาเรียกว่าตัวแล้วในตัวเนี่ยมันก็มีจิตใจเนาะมันมีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆนะมันมีสิ่งนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราฝึกรู้ตัวก็คือฝึกให้รู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ทีนี้หลวงพ่อจะเทียบให้เห็นตอนที่ไม่รู้ตัวก็คือว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่ลืมมันไปนะร่างกายมีอยู่แต่ลืมไปเลยว่าร่างกายมีอยู่ ใ จ, ใจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่พอลืมพอลืมตัวมันก็ลืมไปเลยว่าสิ่งนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้รู้ตัวโดยแรกๆหลวงพ่อคิดว่าคงต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของการฝึกนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้รูปแบบมันก็เคยตัวที่จะลืมรูปแบบของการฝึกก็คืออาจจะอยู่ในที่ จำกัดที่เอาไว้เช่นอาจจะเดินเนาะเดินแล้วก็รู้ตัวไปว่าตัวเนี้กําลังเดินอยู่เขาเรียกว่าเดินจงกงรมอ่ะเนาะเดินไปเดินมาแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยกําลังเดินเนาะให้รู้ทั้งตัวเนาะรู้ทั้งตัวเหมือนกับตอนนี้โยมนั่งอยู่หรือยืนอยู่นะตอนเนี้ยนั่งอยู่ค่ะอะให้รู้ทั้งตัวเลยว่าตัวเนี้ยนั่งอยู่ก็รู้อยู่เนี่ยเนาะก็รู้อยู่ว่านั่งอยู่เนาะ แล้วระหว่างนั่งเนี่ยตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวยังไงก็ก็หัดรู้ไปเช่นมันอาจจะกระดุกกระดิกมีการขยับก็ให้รู้ไปรู้รู้แบบสบายสบายเล่นๆ เ, เนาะออรู้รู้แบบเนี้ยแล้วก็ฝึกอย่างเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะทําให้รู้ตัวมากขึ้นให้เปรียบเทียบกันก็คือว่าไอตอนที่มันไม่รู้ตัวเวลาตัวขยับตัวเคลื่อนไหวเห็นไหมรู้ไม่ได้แต่ช่วงชั่วโมงที่เราฝึกเนี่ยรู้สึกก็จะขยับไปทางซ้ายทีทางขวาที จะก้มจะเงยอ๋อมันรู้ได้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นความแตกต่างแล้วว่ารู้กับไม่รู้มันต่างกันตรงไหนอ่าเจ้ไหมทีนี้เรื่องทางจิตใจก็เหมือนกันมันจะต้องเริ่มจากฝึกรู้ตัวคือรู้กายก่อนพอรู้กายไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสักหน่อยมันก็จะเห็นเรื่องจิตใจที่มันมีความคิดเนาะมันจะมีความคิดเช่นคิดแว บ, บไป ค, คิดถึงเรื่องน้นคิดถึงเรื่องนี้หรือว่าอาจจะเกิดอารมณ์ทางจิตใจเช่นรู้สึกว่าเออส ง, งบมากขึ้นเออหรือว่าอาจจะ อะไรก็แล้วแต่มันก็จะรู้มากขึ้นเพราะฉนั้นการรู้มากขึ้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่โยมถามก็คือเริ่มฝึกแบบนี้ อ, มอเมื่อฝึกแล้วเนี่ยโยมก็ฟังไปด้วยนะฟังธรรมะที่ผู้รู้เขาบอกว่าเออเมื่อรู้ตัวแล้วมันจะเห็นอะไรบ้างโยมก็ไปฟังเพราะว่า<ม>ถ้าเราไม่ฟังเนี่ยมันรู้ตัวไม่เป็นเหมือนกับว่ามันไม่มีข้อมูลที่จะทําให้ระลึกได้ไง เช่นสมมติวาก่อนที่หลวงพ่อจะพูดเรื่องความรู้ตัวเนี่ยโยงก็นึกไม่ได้ว่าไอ้รู้ตัวมันรู้ตรงไหนบ้างแต่พอหลวงพ่อบอกเช่นบอกว่ารู้ตัวก็ให้รู้ว่าตัวนั่งก็ให้รู้อยู่แล้วเวลาตัวกระดุกกระดิกตัวโยกตัวโค้งเพลงตัวไหวๆก็ให้รู้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบอกทางเพื่อทําให้เกิดการระลึกได้ขึ้นมาว่าการรู้ตัวคือรู้แบบนี้เพราะว่าถ้าไม่บอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะร่างกายจะขยุกขยิกเคลื่อนไหวแต่มันก็ไม่รู้ไม่รู้จักไงไม่รู้จัก เพราะนั้นการฟังเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้รู้จักออาการของกายว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้พอเข้าใจได้ไหมคะอันนี้ ก, อนนก็อันนี้ก็น่าจะพออรู้ตัวได้อะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าที่หนูเคยน่าจะถามอาทีนี้อะค่ะที่บอกว่าตอนนั่งกรรมฐานแล้วมันจะมีแบบความปวดด้วยความแบบเอ อ, อารมณ์เข้ามาร่วมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ อ, อันนี้ก็พยายามที่จะบอก พอพอแยกได้ว่าเอออันไหนมันเป็นแบบเออกายมากระทบกระทบทางกายกระทบทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแต่ว่าเออเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ได้ฟังของโยมเอ็กไหมคะที่บอกว่า เ, ออเลือกอัตตากับอนัตตาไหมคะหลวงพ่ออืม อ, อืม อ, อืใช่อันนี้หนูไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าว่าตัวเรานี้ก็ไม่มีเนาะมีแต่ว่าความที่เรารู้รู้ตัวว่าเรา เป็นอะไรบอกว่าอะไรมากระทบเราอยู่ประมาณนี้ไหมคะอืมคือใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าเก่าก็เหมือนกันและบางทีก็เรียกว่ายัางยังไม่รอบรู้ทั้งหมดอ่ะ น, นะบางอย่างเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่บางอย่างยังรู้ไม่ได้พอรู้ไม่ได้อ่ะตรงนั้นแหละมันยังเป็นอัตตาอยู่แต่ก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเป็นอัตตาไอ้ขั้นเนี้ยต้องอาศัยคนชี้บอกถึงจะเข้าใจได้เนาะ ทีนี้อย่างเช่นตอนนี้นะออกของโยมเนาะ <sprite. S 2> ของโยมเนี่ยอย่างบางเรื่องสม ม, สมมติว่าเข้าใจเรื่องความเจ็บแล้วละ <formats. S 2> โยมเข้าใจแล้วว่าเออความเจ็บเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราส่วนเข้าใจแบบแจ่มแจ้งมากเลยนะแล้วก็ไม่ยึดถือความเจ็บเป็นตัวเป็นตนเป็นเราละเพียงได้แต่รู้ว่าเออมันมีความเจ็บแต่มันมีบางอย่างที่ยังไม่รู้แต่ก็ไปยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่เช่นเวลามันเจ็บเนาะรู้แล้วว่าเจ็บ แล้วก็โยมรู้แล้วว่ามันไม่เจ็บแล้วก็โยมไม่ยึดถือความเจ็บแล้วแต่โยมยังไม่เห็นว่าโยมยังยึดผู้รู้ว่าเป็นเราอยู่ยึดยังไงก็ใครเป็นคนรู้เวลาเจ็บโยมใช่ไหมค่ะอ่าโยมนั่งอยู่คนเดียวเจ็บ<ๆ>อยู่คนเดียวความเจ็บอะโยมไม่ยึดแล้วเพราะโยมเข้าใจแล้วแต่ไปยึดถือผู้รู้ผู้รู้อะไรก็ผู้ ร, รู้ว่าเจ็บ แต่ตรงนี้เหมือนกับว่ายังไม่เห็นตัวเองว่าอ๋อไอ้ผู้รู้นีนะ่มันก็มีอีกตัวหนึ่งแต่พอไม่รู้ว่ามันมีอีกตัวก็เลยมีตัวเราเป็นผู้รู้ว่าเจ็บแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าอ้าวนี่ยังมีอัตตาอยู่นะโยมก็ถามว่าแล้วอัตตาตัวไหนอ่ะก็ไอ้ตัวที่เป็นผู้รู้เมื่อกี้อที่บอกว่าโยมรู้ว่าเจ็บอย่างนั้นเจ็บอย่างนี้แล้วโยมไม่ยึดแล้วไงนั่นแหละตัวโยมคือผู้ไม่ยึด <c oughs> ตัวที่รู้พอชี้บอกอย่างนี้ปับ๊บ อ๋อมันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออไอ้ผู้รู้นี่เนาะมันก็ไม่ใช่เรานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่มีเราถ้ามีก็มีแต่ผู้รู้พอโยมเข้าใจอย่างนี้ปับ๊บมันก็จะพิกจากผู้รู้จากผู้รู้ที่เป็นเราเนี่ยมันจะมาพิกเปลี่ยนเป็นเออว่าผู้รู้จริงๆมันก็เกิดดับเหมือนกันคือตายอะ่ะความหมายตายก็คือเช่นสมมุติว่ายมเป็นผู้รู้เนาะแล้วสุดท้ายยมมี อ, อยู่จริงมายมก็ตายเข้าโรงเนาะ โอละเอียดอ่อนมากเลยค่ะอ่าโยมก็คือผู้รู้นี่อ๋อผู้รู้ยังตายนี่ถ้าผู้รู้ตายก็แสดงนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เราโอหนี่ถ้าไม่มีคนมาบอกหน้าไม่เห็นเลยนะไอตัวนี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมแต่พอมีคนมาบอกปั๊บอ๋อยังมีเราเป็นผู้รู้แล้วผู้รู้อ๋อยังแก่เจ็บตายไปเข้าลงเอ๋อแสดงว่าผู้รู้ไม่เที่ยงเอ๋อผู้รู้เป็นอนัตตานี่ไม่ใช่เราแค่นี้ความเป็นตัวเราก็หายไป ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคนบอกเป็นตัวเราจริงๆอ่ะเรารู้เรารู้เราไม่ยึดแล้วเข้าใจได้เนาะเข้าใจค่ะอันนี้คงต้องบอกว่าอาศัยการฝึกแล้วก็แบบคอยแบบมีสติเหรอคะแล้วว่าแบบรู้บ่อยๆอะไรแบบนี้ยแต่ก็แต่ก็รู้ก็ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวมันก็เกิดดับความรู้นี้ก็เกิดดับอีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เกิดดับหมดมันก็รู้ ก็ไม่ไม่มันกิดดับหมดอะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นพวกเนี้ยเป็นสิ่งอย่างเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือสิ่งที่ไม่เกิดเลยสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่ที่เราคุยมาทั้งหมดอะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดเลยความเจ็บก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วไอ้ตัวที่บอกว่าเออเราวางแล้วเราไม่ยึดถือแล้วความเจ็บเนาะมันไม่ใช่เราเนี่ยกำลังพูดอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงแก่นของมันแก่นของมันคือ เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยคําพูดก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีความจําก็ไม่ปรากฏคือมันมีแต่รู้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นให้เทียบเลยว่าอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นมาพวกเนี้ยยังไม่ใช่สัจธรรมแท้ยังเป็นขวข่ที่เกิดดับเป็นสังขารอยู่แต่ก็ไม่ได้หลงยึดถือว่าเป็นตัวเราเนาะอืคือแยกเมื่อกี้เออก่อนเข้ามาหลวงพ่อก็แยกว่าธรรมะเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่เกิดประเภทที่ปรากฏ อ, อีก อีกประเภทหนึ of of mm ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันก็มี2ประเภทแค่เนี้ยทีนี้ก็สังเกตเอาว่าไอสิ่งที่กําลังเกิดกําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยพวกนี้เป็นประเภทที่เกิดแล้วหมดไปดับไปหมดเลยส่วนธรรมชาติที่ไม่เกิดย่อมไม่ดับนะเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เราขณะที่กําลังคุยเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันเลยเนี่ยกําลังคุยอันนี้ก็กําลังปรากฏกําลังถามก็เป็นสิ่งที่กําลังปรากฏกําลังสงสัยก็เป็นสิ่งที่กําลังปรากฏนะ อะไรก็แล้วแต่งงงก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นอนิจยังทุกขังอนัตตาไม่มีเราเลยไม่มีเราในสิ่งนี้นะทีเนี้แล้วจะทํำยังไงให้เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรากฏก็ลองเทียบแบบนี้ก่อนไงว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยแต่เดิมมันไม่มีเนาะแล้วมันก็มีมีแล้วก็หมดไปเนี่ยให้เทียบอย่างนี้ก่อนพอเทียบไปเทียบมาเสร็จแล้วแล้วก็มันจะพบธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติรู้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดรู้ว่าสิ่งนี้ดับ รู้ว่าสิ่งนี้เกิดรู้ว่าสิ่งนี้ดับแต่ธรรมชาติรู้อันนั้นแหละเป็นความไม่ปรากฏเออแต่ถ้าถ้าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไมเออแล้วก็ถ้าขยับเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็จะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ปรากฏแต่รู้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏอืองไหมอ่าขอทวอีกทิงได้อีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าว่า ตัวรู้นี่คือเหมือนความรู้ความรู้สึกอะไรนะความรู้ของเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏประมาณนี้ไหมคะความรู้ของเราความรู้ของเราต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏพลาะมีเราเออถ้าควา ม, วามถ้าถ้ารู้ที่ไม่ปรากฏจะต้องไม่มีเราค่ะค่ะอันนี้ก็พอแล้วก็ได้ด้จ ะ, จะได้เพราะว่า <Okay. S 2> <laughs> ไม่ละเอียดออกมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็แบบแต่ว่านี้ก็ต้องอาศัยพูดเตือนสติบ่อยๆเนาะอะไรเงี้ยใช่เตือนเนี่ยขนาดที่คุยกันนี่แหละแล้วก็ถ้ามีมันมันจะเก็ตเหมือนบางทีถ้าไม่เก็ตก็ผ่านไปบางทีมันเก็ตเลยอะเนาะแล้วก็ตื่นรู้เลยแล้วก็ได้ประสบการณ์เลยพอข่าวต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นในลักษณะแบบเนี้ยสติปัญญาก็จะเกิดเท่าทันรู้เท่าทันทันทีเลยอันนี้หลูงพ่อสรุปอีกทีนึงได้ไหมคะว่าความรู้ธรรมดานี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏ ความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ของเราเนี่ยค่ะอ่าเป็นสิ่งที่ปบบความรู้ที่ไม่ใช่ของเราอันนั้นเราเป็นความเดี๋ยวหลวงพ่อจะจ ะ, จ ะ, จะเอาอย่งไรดีนะเอาไว้นะสิ่งใดปรากฏนะสิ่งนั้นไม่ใช่รู้สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่รู้เพราะรู้ <c oughs> รู้แท้ๆนะเออต้องกําชับต้องเน้นเลยว่า <c oughs> ให้รู้แท้รู้จริงเนี่ยรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยจะต้องไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏตัวผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยนะทีนี้สิงใดที่ปรากฏปรากฏขึ้นไม่ว่าจะด้วยการพูดก็ดีการคิดก็ดีการกระทําก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏหมดไม่ใช่รู้เออเพราะฉนั้นพอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บต่อไปมันจะง่ายแล้วเวลาพูดทีหนึ่งปรากฏอันนี้ก็ไม่ใช่รู้เวลาคิดทีหนึ่งคิดคิ ด, ค, ดคิดเพื่อให้รู้อันนี้ก็ไม่ใช่รู้ใช่ไหม เวลาขยับร่างกายทีหนึ่งร่างกายมันเคลื่อนไหวเนาะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่รู้แต่รู้รู้สิ่งที่ปรากฏรู้คือรู้รู้ภายในของเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ประมาณนี้ไหมคะใช่กําลังพูดกําลังคิดหรือว่ามีอารมณ์อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่าอันไหนที่มันเคลื่อนไหวมีปฏิกิริยามีการเคลื่อนตัวเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่รู้ใช่สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่รู้ง่ายๆเลย รู้ไม่ปรากฏแล้วสมมุติโยมโยมไปหาไปหารู้ใช่ไหมไอ้ตัวตัวหานี่ก็กําลังปรากฏก็ไม่ใช่รู้ค่ะพอรู้แล้วก็ความรู้นี้ก็เกิดดับอีกเหมือนกันใช่ไหมคะคือไอ้รู้แท้รู้จริงไม่เกิดไม่ดับเป็นความไม่ปรากฏเนาะแต่ถ้ารู้รู้แบบคิดรู้แบบจำพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏหมดเลยรู้คิดคิดแล้วก็รู้เงี้ยเช่นคิดคิดคคิดแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาพวกนี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏหมดมมหรือว่าจําอะไรได้แล้วเอามาเล่าเอามาบอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้นะนโยมโยมอย่าไปหาอย่าไปหาธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏนะโยมหาไม่เจอหรอกรมจะคิดเท่าไหร่ก็มไม่เจอมีอย่างเดียวก็คือว่าโยมลองหยุดเฉยๆก็ได้หยุดนิ่งๆนะหยุดไม่ต้องไปค้นไปคิดหาเลยเลยหยุดไปสักพักหนึ่ง แล้วก็พอหยุดปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความสงบเนาะพอเกิดความสงบปั๊บมันก็รู้ได้แล้วว่าเอาสงบแล้วรู้ได้ว่าเราหยุดคิดแล้วเห็นไหมมันรู้เราแล้วตอนนี้ไงเพราะนั้นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏคือเขารู้เราได้ว่าเรากำลังพูดหรือเราหยุดแล้วหรือเราสงบแล้วหรือเราไม่สงบมันรู้เราหมดเลยแต่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องอย่างนี้เมื่อกี้เรากาลังทาความเข้าใจเรื่องรู้ที่ไม่ปรากฏใช่ไหม ยิ่งยิ่ ง, งคิดพยายามทําความเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยไม่มีวันที่จะจะเข้าใจเรื่องรู้ที่ไม่ปรากฏได้เพวัะนั้นต้องพลิกมาก็คือหยุดแล้วก็หยุดทําความเข้าใจหยุดคิดคน้นหยุดอะไรหมดเลยเพียงแต่รู้ตัวเป็นปกติธรรมดาเช่นรู้ตัวว่าตัวนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็หยุดทําความเข้าใจหยุดแล้วก็ในตัวเราเนี่ยมันก็จะเกิดอาการบางอย่างเนาะเช่นความส ง, งบเช่นความหายเหนื่อยความรู้สึกเออผ่อนคลายอันนั้นแหละแล้วก็มัน มันจะรู้เราว่าเออตอนเนี้ยเราผ่อนคลายแล้วเราส ง, งบแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ง่าย อ, อ, อลองลองไปทดลองดูนะ ล, งลงองลองทดค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะ เ, เ, เรียนธรรมะที่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยรู้ง่ายกว่าเพื่อนเลยแต่ถ้าเอาตัวเราไปคิดอดีตอนาคตมันไม่เห็นตัวเราแล้วก็ทําให้เข้าใจรู้เราไม่ได้แต่ถ้ารู้ปัจจุบันเนี่ยกําลังถามเนี่ยรู้เลยว่าเรากําลังถาม กำลังพูดรู้เลยว่าเรากำลังพูดกำลังคิดรู้เลยว่าเรากำลังคิดนั่นแหละมันมีรู้นะที่มารู้เราเขาจาง่ายง่ายเลยเพราะการถามการพูดการคิดเนี่ยมันผุดมาจากความไม่ปรากฏนั่นแหละเวลาถามทีเห็นไหมมันก็ผุดขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็ก็ดับผุดแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับนะไอตรงที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละเป็นที่รองรับของความเกิดนะไอ้ที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสิ่งที่รองรับ ของสิ่งที่เกิดแล้วก็ไอ้ที่ไม่เกิดไม่ดับอันนั้นมันมีความรู้เออเพราะฉะนั้นอะไรเกิดปั๊บมันก็รู้อะไรดับปั๊บมันก็รู้เออเนี่ยมันเนี่ยมันชัดเจนอยู่ตรงสิ่เนี้ง่ายเลยเหมือนกับหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเรื่องจุดจุดพรุนะจุดพรุเนี่ยจุดพลุพลุขึ้นไปในท้องฟ้าผมหลวงพ่อสมมุติว่าท้องฟ้าเป็นความว่างเป็นความไม่เกิดไม่ดับแต่พลุเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเห็นไหมย้อมดูสิตรงเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่า อ๋อพเป็นความเกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็ล่วงหมดแล้วก็ดับไปแต่ท้องฟ้ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่มาก่อนที่จุดพุแล้วท้องฟ้ายังมีอยู่พอจุดพุพุดับทองฟ้าก็ยังอยู่พุพเอ้ยทองฟ้าไม่ดับแต่ท้องฟ้ามันมีความรู้ก็หมายความว่าเวลาจุดพุท้องฟ้าก็รู้ว่าว่าจุดพุดับท้องฟ้าก็รู้ว่าดับ เนี่ยอุปมาอย่างนี้โยมจะเข้าใจได้ง่ายท้องฟ้าเป็นที่รองรับของสิ่งเกิดดับแต่ท้องฟ้าไม่เกิดไม่ดับมีแต่ความรู้ เ, เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็มันคล้ายๆอย่างนี้แต่มั น, ม, นมันไม่ใช่นะเพราะว่าอนุ่นไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวอแต่โยมก็แปลกเนาะเวลาพูดถึงหลวงพ่อพยายามไปหาไ อ, าอา้สิ่งที่ไม่ปรากฏมากเลยอทุกคนเลยหลวงพ่อเจอมาพอพูดถึงไอ้สิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ย ก็จะเอาตัวเราไปไปไปทําความเข้าใจเอาตัวเราไปหาไปค้นน่ะก็กลายเป็นว่าพอเอาตัวเราไปค้นไปหามันไม่รู้เราไงมันลืมตัวแต่ถ้ารู้เราปั๊บว่าเอา้าวเรามีการคิดมีการค้นมีการหาปับ๊บไอ้ตรงที่รู้เราตรงนั้นแหละนั่นน่ะเป็นรู้ที่ไม่ปรากฏมันก็จะมาเห็นเราที่กําลังปรากฏกําลังเคลื่อนไหว หรือว่าถ้ายมคิดก็ดีเหมือนกันนะคิดค้นหาไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดมาอยู่ๆปั๊บมันนึกขึ้นได้หรือว่ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ้าวเรากําลังคิดกําลังค้นนี่แล้วก็จะทําให้เข้าใจได้ว่าอ๋อไอตัวเราเป็นสังขารปรุงแต่งกําลังคิดกําลังค้นกําลังหาแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งรู้ตัวเราว่าเรากําลังคิดกําลังค้นกําลังหาตรงเนี้ยก็จะทําให้เข้าใจเรื่องรู้เข้าใจเรื่องธาตุรู้เข้าใจเรื่องธรรมชาติรู้ว่า มันไม่ได้คิดมันไม่ได้ค้นมันไม่ได้หาอะไรเลยแต่มันรู้เราว่าเราเป็นผู้คิดผู้คน้นผู้หาเพื่อจะรู้จักมันเออถ้ามันพูดได้มันคงขำเราปิ้งเลยนะบอกมึงอาหากูแต่มึงไม่รู้ตัวมึงอาหาแต่หาแต่กูแต่มึงไม่รู้ตัวมึงเออมันจะว่าอย่างนั้นนะอันนี้หลวงพ่อพูดเปรย์เปิดฟังนะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่มาติดตามรับฟังนะ แล้วก็ถ้ามีความเข้าใจตรงไหนยังไงก็ลองไปไปฝึกซ้อมไปฝึกทำเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเป็นการรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นปัจจตังไปในที่สุดวันนี้ก็ยุติเพียงแท่นี้ขอจเจริญพร